บุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ช่วยให้เกิดทางเลือกว่าจะเอาสวรรค์ชั้นสูงหรือจะเอานรกขุมลึกบุญเกิดจากการทำคุณงามความดีแต่ความหมายของบุญนั้นมีมิติ ก, กว้างยาวลึกเกินกว่าที่คิดกันมากแค่คิดดีห้ามใจไม่คิดลบ ก็เรียกว่าเป็นบุญทางใจแล้วหรือพูดดีห้ามใจไม่พูดร้ายก็เรียกว่าเป็นบุญทางปากแล้วและถ้าทำดีห้ามใจไม่ทำชั่วอย่างนี้ให้นับเป็นบุญทางกายคนส่วนใหญ่ไม่ว่าศาสนาไหนมักเข้าใจว่าการถวายปัจกาสีเป็นทานหรือการไปร่วมงานที่วัดด้วยกาย ถึงจะเรียกว่าทำบุญทั้งที่จริงแม้กำลังนอนแผ่อยู่บนเตียงก็คิดเป็นบุญกันได้เผลอๆบางทีจะเป็นบุญยิ่งกว่าไปวัดแล้วคิดโน่นคิดนี่ยุ่มยิมซะอีกบุญเป็นสิ่งมีพลังสว่างในทางที่เป็นสุขก่ขอให้เกิดความอุ่นใจหรือเกิดกำลังใจว่าตัวเองได้ทำต้นทางแห่งความเจริญไว และนั่นคือความเป็นบุญในแบบที่สัมผัสได้ง่ายสัมผัสได้เป็นครั้งครั้งเช่นเจอคนไม่มีอำนาจแต่อยากแบ่งเอากับคุณแต่คุณคิดว่าอย่าไปเอาเรื่องเอาราวเลยชีวิตของเขาน่าสงสารพออยู่แล้วเพียงเท่านี้บุญก็เกิดขึ้นแล้วโดยการให้อภัยเป็นทานกระจัดความขุ่นข้องมองใจได้ โล่งหัวอกได้ยิ่งปลอดโปร่งเป็นสุขหมดจดได้เท่าไหร่ยิ่งสอว่าเกิดบุญมากขึ้นเท่านั้นทุกชีวิตต้องผ่านอนุบาลแห่งการทำบุญคือมีใจอยากให้ทานอยากรักษาความถูกต้องแต่เป็นไปในแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้วันไหนครึ้มใจก็เอาบุญวันไหนใจมั่ว ก็เอาบาปต่อเมื่อทำบุญมากเข้าก็เริ่มเข้าคันประถมและมัธยมคือมีอารมณ์ดีติดใจอยากทำบุญบ่อยๆแต่ก็ยังแกวงวันดีคืนดีก็เปรี่ยปบ้างทําผิดคิดร้ายด้วยความโลภจะเอาให้ได้บ้างด้วยความหุนหันพันแล่นบ้างด้วยความหลงตัวบ้างยังไม่มีหลักประกัน ในการห้ามใจตนเองที่แน่ชัดจนเมื่อจงใจขัดเกลาตัวเองอย่างดีผ่านดานพิสูจน์ใจและหลายดานสะสมแต้มจากการรักษาความดีไว้ได้คงเส้นคงวากระทั่งไม่รู้สึกว่าดีแต่ทำบุญเป็นครั้งครั้งแต่ใจมีความเป็นต้นแหล่งผลิตบุญอยู่ทั้งดวงแบบที่เรียกกันว่าใจบุญเลยทีเดียว พอถึงขั้นนั้นแค่คิดก็มีแต่อะไรดีๆในหัวเต็มไปหมดแล้วการได้ปริญญาทางพุทธก็คือการมาถึงจุดที่ได้ใจอันเป็นบุญนั่นเองแต่ใจบุญแบบพุทธยังแบ่งได้เป็นสามระดับคือใจบุญในระดับให้ทานเกิดจากการคิดแจกทรับส่วนเกินรวมทั้งให้อภัยบ่อยๆ กระทั่งวันไหนไม่ได้แจกของหรือทำใจอภัยไม่ได้แล้วรู้สึกกรั้นเนื้อครั้นตัวไม่สบายใจเหมือนไม่ได้ดื่มน้ำเย็นให้ชุ่มชื่นหรือไม่ได้อาบน้ำอุ่นให้หายหนาวบ้างใจบุญในระดับรักษาศีลเกิดจากการตั้งใจไม่เบียดเบียนหา้าประการและสามารถสอบผ่านได้เป็นปกติ กระทั่งรู้สึกสะอาดตัวสะอาดใจไม่ต้องนึกรังเกียจความหมักหมมของตัวเองบ่อยๆใจบุญในระดับเจริญสติเกิดจากการเฝ้าสังเกตความไม่เที่ยงทางกายใจกระทั่งรู้สึกอยู่เรื่อยๆว่าลมหายใจก็ไม่เที่ยงกายนิ่งหรือกวัดแกงก็ไม่เที่ยงจิตสงบหรือฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวของตนจริงๆสักอย่างใจบุญระดับเจริญสติเท่านั้นที่พ้นทุกได้จริงตัดทางวนมาเกิดใหม่ให้เป็นทุก์ได้จริงแต่ถ้ายังทำไม่ถึงที่สุดทุกก็ยังต้องกลับมาทุก์ใหม่และถึงตอนนั้นบรรดากองบุญที่สั่งสมไว้ก็จะกลายเป็นฐานแห่งรูปงามฐานแห่งความมั่นคง ฐานแห่งความมีอิทธิพลใหญ่ให้เลือกแบบไม่รู้คือไม่รู้ผลว่าเลือกแล้วจะออกหัวออกก้อยอย่างไรตัวอย่างเช่นเลือกที่จะให้อำนาจบารมีเป็นเครื่องชี้ถูกชี้ผิดใครมีอำนาจมากกว่าก็หลงตัวมากกว่าว่าข้าถูกแทนที่จะให้มโนธรรมเป็นตัวบอกว่าบาปบุญคุณโทษคืออย่างไร รู้สึกดีหรือรู้สึกแย่ต่างกันขนาดไหนหลังจากสั่งสมบารมีจนมีดีมากพอจะอยากเป็นผู้นำครอบครัวดีๆอยากเป็นหัวหน้ า, าแผนกที่น่าเคารพยำเกรงอยากเป็นมาเฟียใหญ่ที่ชอบทำบุญบังหน้าหรืออยากเป็นนักปกครองใจร้ายที่คิดครอบครองมันทุกอย่างการเลือกเหล่านั้น บุญเก่าไม่ได้บังคับให้ตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจใหม่ในปัจจุบันสรุปสั้นๆคือบุญเป็นครั้งๆก็ให้เกิดสุขเป็นครั้งๆกองบุญอันเกิดจากบุญลหลายครั้งรวมตัวกันก่อให้เกิดหลุมขาวในนาทีสุดท้ายหลุมขาวหรือปุญญาพิสังขาร มีหน้าที่ส่งตัวข้ามภพไปมีอัตภาพอันเป็นสุขได้แก่ความเป็นมนุษย์เทวดาหรือรมส่วนไปเกิดเป็นอะไรแล้วมีชะตาชีวิตแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าทำบุญทำบาปท่าใดกละเ้าถี่ห่างเท่าไรด้วยสุดท้ายผลแห่งบุญระดับสูงสุดซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติ อันได้แก่การเจริญสติจนถึงมากถึงผลคันล้างกิเลสได้หมดจดจะตัดขาดจากทางวนกลับมาเป็นทุกข์มีชีวิตอีกแบบหนึง่งที่อยู่เหนือการสร้างหลุมดำและหลุมขาวจึงไม่มีทั้งหลุมดำและหลุมขาวรออยู่ในนาทีที่จะตายตายแล้วก็เข้าถึงสิ่งที่เป็นมหาสมุทรแห่งบรมมสุข